นั่นแหละเขาบอกว่าลักษณะของอริยมรรคเนี่ยออกจากสิ่งที่เป็นออกจากหมวดธรรมประมาณร้อยห้าสิบน้อมไปหาหมวดธรรมอีกร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นออกจากนิมิตและปะวั ต, ตะออกจากขันธนิมิตออกจากความเป็นตายในปวัตตาสภาพที่หลีกหลีกจากไหนก็หลีกจากนิมิตและปะวั ต, ตะเพราะฉะนั้นอริยมรรคนั้นละเอียดมากสันตะสันตะนี่นะละเอียดคือ สันตะบางทีแปลว่าสงบก็ได้หรือแปลว่าดับสนิทก็ได้เพราะนั้นอริยมรรคนั้นจึงปณีตะประณีดแปลว่าไม่เดือดร้อนที่ไม่เดือดร้อนเพราะตัวเองเนี่ยคือสูงสุดอยู่แล้วไม่ต้องไปร้อนเรื่องอะไรอีกแล้วอาอริยมรรคนั้นเป็นมิมุติมิมุติเนี่นะมิมุติก็คือหลุดพ้นจากกิเลสเพราะอริยมรรคนั้นมีจิตโอนเอนโน้มไปในพระนิพพานอย่างเดียวอริยมรรคนั้น อาณาสวะแปลว่าไม่ใช่แดนโคโจรของอาสะวะทั้งหลายอาสะวะนี่จริงๆนะกามาสะวะเป็นต้นไม่ชอบอารยมรักนะเพราะนั้นจึงไม่เที่ยวไปในอารยมรักเพราะไม่ใช่วิสัยของของตัวไม่ใช่วิสัยของตนนี่นะคือพวกอาสะวะอย่างที่กล่าวไปว่ามันเหมือนกับมแมลงวันนะั่นแหละมันไม่ชอบของร้อนอะไรมันเนมันชอบอะไรนะัมแมลงวัน ทั้งพวกอาสวะทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันทั้งอารยมรคนั้นจึงไม่ใช่วิสัยของอาสวะคือไม่มีอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถืออารยมรนั้นตระหะเนี่ยนะตระหนะคือข้ามใช่ไหมข้ามจากอะไรข้ามจากกิเลสกันดานและข้ามจากสังสารวัตรที่กันดานกิเลสนี่มันกันดา น, น่ยกันดานแปลว่าอะไรแห้งแรงไงกันดานนี่แปลว่าแห้งแรงเส้นกันดา น, น้ําเนี่ยไง กันดานอาหารก็คือขาดแคลนอาหารเป็นต้นถ้ากันดานโจรผู้ร้ายนี่แปลว่าอะไร <c oughs> ไม่ได้แปลว่าขาดแคลนโจรนะแปลว่าชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายเนี่ยนะแต่ถ้ากันดารข้าวกันดาร น, น้ําแปลว่าขาดแคลนข้าวน้ําแต่ถ้ากันดานโจรผู้ร้ายแปลว่าชุมไปด้วยโจรใ น, นคําว่ากันดานก็เลยยังนึกไม่ออกว่าแปลว่าไงดีเนี่ยาะฉนั้นอริยมรรคนี่เป็นตัวข้ามจากกิเลสกันดานและสังสารวัตรกันดาน สังสารวัฏเนี่ยมันกันดานแค่ไหนดูสิเมียนว่าวตายเกิดนี่กันดานไหมถ้าไปเกิดในอาบาเป็นต้นเนี่ยนะต้องมาว่านะโยมยุงตัวนิดๆเนี่ยมันเกิดอายุแค่ไม่กี่วันมันกินอิ่มกี่ตัวยุงนีตัวก็นี้เดียวแล้วมันกินอิ่มกี่ตัวใครบริจาคเลือดให้มันมั่งถ้าเราบริจาคเลือดให้ยุงยุงก็บริจาคมาลาเรียบริจาคไข่เลือดออกให้เราอย่างนีก็เลยไม่ค่อยมีใครเสียสละเ <c> น <oughs> ี่ยนะเพราะไม่อยากรับบริจาคของ ung, อยุงใช่ไหม เพราะนั้นถ้าไปเกิดเป็นยุงตัวนิดเดียวก็โอ๊้กว่าจะอิ่มก็ยากถ้าไปเกิดตัวใหญ่กว่านั้นอีกนะอย่างช้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นช้างนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดหน้านี้นะเดือดร้อนมากเลยเพราะไม่รู้จะไปกินอะไรเนี่ยนะไม่มีอะไรให้กินเพราะฉะนั้นพวกนี้ยคือสังสารวัตรกันดารละ่ะส่วนทนิพานนั้นไม่มีเครื่องหมายไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นเครื่องหมายคือนิมิตนิมิตสังขารนิมิตไม่มี แล้วก็พระนิพพานนั้นมีที่ตั้งคือตันหาไหมไม่มีพระนิพพานนั้นว่างจากอัตตาตัวอัตตามีอยู่ในพระนิพพานไหมนิพพานคืออัตตาใช่ไหมไม่ใช่พระนิพพานจึงไม่มีอัตตะสาระไม่มีอัตตาเลยทีนี้ถามว่าสมถาวิปัสสนาเป็นยังไงมีกิจเหมือนกันกิจกิจของสมถาวิปัสสนาคืออะไรคือสวเัยรถเดียว หน้าที่ของเขาคือสแสวงหาวิมุติรสรถแห่งความหลุดพ้นจากวัตต์สมถาวิปัสสนานี้ไม่ล่วงเลยซึ่งกันและกันเป็นเรียกว่าคู่ขนานกันไปใช่ไหมสมถาวิปัสสนานีนคู่ขนานนั้นสมถาวิปัสสนาที่บริบูรณ์สมบูรณ์นั้นเป็นนิยานเป็นนิยาณะก็คือนิยานิกะนะนำออกจากสังขาร น, นําออกจากวัตทุกข์นําออกจากพบอริยมรักเนี่ยมีอยู่สี่คำนะ คือนิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยใช่ไหมมีอยู่สี่คำนะ่าลักษณะของอริยมรรคคือนำออกจากสังขารทุกขังมวลนำออกจากกิเลสทั้งมวลอนิพนอริยมรรคนั้นเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอริยมรรคนั้นเห็นอะไรเห็นพระนิพพานอริยมรรคนั้นยิ่งใหญ่ถามว่าใหญ่มาอย่างไรใหญ่เหมือนตระกูลที่มากไปด้วย พ่อข้ศัพท์เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับกิเลสทั้งหลายยากจนเนียนะกิเลสนี่แห่งแรงกันดานไม่เชื่อตอนที่เราง่อยเงาดูที่แห้งแรง้งเลยกันดานมากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยใจนิดเดียวนะคนมีกิเลสครอบงาเนี่นยนะทำไมที่น้อยอกน้อยใจเขาเรียกว่าน้อยแปลว่าไม่ได้เยอะอนะใจน้อยเดียวเนี่ยนะที่น้อยอกน้อยใจเขาว่านิดหน่อยก็จะไปโดดน้ําตายแล้วอย่างนะี้โดดน้ําตายก็ไปเป็นปลาที่โยงกันนี่เนี่ยนะเพราะ ไม่เหมือนอารยมรัมกษ์นะอริยมรัมกษนี่ยิ่งใหญ่มากพระอารยมรัมกสมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยโพธิปัจขยธรรมสามสบเจ็ดประการเป็นบุทที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าจึงมีทรัพย์มากโดยเฉพาะอริยทรัพย์นี้จึงสมบูรณ์มีอยู่ครั้งหนึ่งสุปปพุทธกุติเป็นคนโรคเรื้อนไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเมืองราชเกศแก่จนที่สุดจนถึงขนาดว่า ยากเขาไม่สนใจนะก็กลายเป็นคนกัพาร์าใช่ไหมเนื้อตัวนี่เนื้อมันแทบจะหลุดเป็นชิ้นชิ้นชิ้ชชไปเนยนะก็มีแค่ผ้ า, าปิดแผล น, นิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไปที่ไหนพวกมแมลงก็กัดเต็มตัวไปหมด น, นะนะก็ไม่มีใครเหลียวแลสนใจไปนอนอยู่แถวบ้านเรือนของผู้ใดก็ครวญคางเพาะจนเขาต้องแถวแถวนั้นนอนไม่หลับหมดก็เลยเรียกว่าสุปปะพุทธกุฏินีนะเป็นคนขี่โรคเรือนมากในวันหนึ่งเห็นคนเขาประชมกันเยอะมากก็เลยเดินไปแถวนั้นนึกว่าจะมีอาหาร แล้ว เ, เขาตั้งโรงทานเขาจะได้แจกอาหารเราบ้างทีนี้พอไปใกล้ๆอ้าวเขาไม่ได้ไม่ได้แจกคานนี่เขากําลังฟังธรรมพระสมณะโคโดมคือพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมก็เลยบุญเก่าก็ตักเตือนแสดงว่ามันมีประโยชน์มั่งเขาจึงฟังเอาฟังบ้างก็เลยไปยืนอยู่ท้ายบริษัทสุดเลยเพราะว่าไปใกล้ๆเขาก็ไล่หนีใช่ไหมเขาไม่ยอมให้ไปนั่งอยู่กลางสะพายแล้วเขาก็เลยต้องไปแอ บ, บๆอยู่ข้างหลังพวกนู้น เสรแล้วพระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทว่าในประชุมชนเหล่านี้ผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมีไหมก็เห็นสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุฏิคนเนี้ยมีอุปนิสัยที่ทําให้บรรลุมรรคผลเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยบรรลุมรรคผลพระองค์ก็ประอาห์าบอกว่าพระพุทธเจ้านี่เวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะแบ่งบุคคลเป็นสองกลุ่มก่อนผู้ที่บรรลุกับไม่บรรลุถ้าเห็นมีผู้บรรลุ ไอ้พวกไม่บรรลุนี่ไม่สนใจเลยไม่เก็บเอามาคิดเลยนั่งก็นั่งไปนะนี่็จแล้วก็ปราลบแต่เฉพาะพวกบรรลุแล้วก็มาแบ่งพวกบรรลุว่ามีกี่จริตแล้วแต่และจริตนี่ต้องฟังธรรมเทศนาหมวดใดแล้วควรจะฟังเรื่องอะไรก่อนในต้นพระองค์ก็แสดงไปก็จะมีผู้บรรลุนี่เหมือนกันพระองค์ก็แสดงอนุปุพพิคถาตอนท้ายก็จิตของสุปาผู้ท่ ป, ปราศจากนิวรณ์พระองค์ก็ประกาศอริยสัจบรรลุเป็นพระโสดาบันนะนี่แต่คิดนะว่าโรคเรื้อนไม่เป็นพระโสดาบัน แต่ว่ากรรมที่เป็นโรคเรือนก็เพ่อไปถ่มน้ําลายว่าไปนะไปด่าพระประเจกว่าเป็นคนโรคเรือนตัวเองเลยได้เป็นโรคเรือนเลยแต่ก็เคยทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรผลอยู่ทีนี้พอเขาเอา่อพอฟังทำบรรลุประชาชนก็แยกย้ายกันไปสุภาพผูท่านี่อยากจะไปประกาศตนต่อนหน้าพระพุทธเจ้ามากแต่ความที่รู้จักตัวเองดีว่าตัวเองเนี่แผลเต็มตัวไปหมดนะนะ เดินไปที่ไหนคนก็รังเกียจหลีกนี้กันไปหมดก็ลเลยไม่กล้าเพราะว่าพระอริยสาวกนี่จะสมบูรณ์ด้วยความละอายเนี่ยนะหิริโอตตะก็รู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเวลุวันะก็เลยประชาชนแยกย้ายกันไปท่านสุ ป, ปะพุทธโรคเรือนคนนี้ก็เดินติดตามพระพุทธเจ้าไปเมื่อติดตามเข้าไปใกล้ๆก็ไปถึงระหว่างทางเนี่ยนะเท้าสักกะลงมาเลย บอกสุปปาพุทธะเธอเนี่ยเป็นคนยากจนที่สุดเหมาอนกันความที่เธอเป็นคนยากจนเนี่ยนะเธอพูดอยู่สามคำฉันจะยกสมบัติให้หมดเลย เ, เธออยากได้อะไรก็จะให้เธอพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดอยู่สามคำพูดได้ไห ม, ไมไแต่พูดไม่ได้บอกอุย้ยแกรก็ตําหนิว่าท่านเป็นใครจึงมาว่าเราเป็นคนยากจนเหนกั น, น, นก็บอกว่าหลีกไปคนผ่าน เพราะอะไรเพราะว่าสุปปาพุทธะไม่ใช่คนยากแล้วเพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เจ็ประการสมบูรณ์ด้วยโลกุตระทรัพย์นะเขาบอกว่าเนวสัญญาณาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้เศษเชี่ยวของโซดาปฏิมักเลยสมมติว่เอาโสดาปฏิมัคเนี่ยมหาร์สิบหกแล้วเอาหนึ่งในสิบหกมหาล์เนี่ยนะเนวสัญญาเนวสัญญาณาสัญญายาตนะเนี่ย ไม่ได้เสศษเสี้ยวของหนึ่งในนั้นของโสดาปฏิมาเพรา ะ, ะจึงเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ํารวยมากเหมือนกันน่ะบอกกระจงหลีกไปห่นพานเหมือนกันน่ะไล่เท้าสากัดนี้เลยเ ล, ล, ลน่นไล่พระอินเหมือนกันเถอะไล่พระอินหนีเลยบอกว่ามาว่าเราจนได้ยังไงเสร็จแล้วก็เพราะอะไรเพราะผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาหิริโอตปะศีลสุตะจาระคตัญญาพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคล น, นั้นไม่ขัดสนเพราะว่าจริงอยู่ชาตินี้กรรมเก่าเป็นปัจจัยทําให้มาเกิดในตระกูลตกยาก แต่หลังจากที่เป็นพระโสดาบันไปแล้วเคลื่อนจากภพนั้นไปแล้วหลังจากนั้นท่านจะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนตลอดไปนะเพราะว่าท่านสามารถเลือกตระกูลเกิดได้เพราะผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจากข้ปัญญาพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าเขาปรารถนาจะเกิดในตระกูลกษัตริย์เครืคข่า บ, บดีมหาสานพรามมหาสาล กษัตริย์มหาสาลปรารถนาจะเกิดในชาตุมดาวเดืองยามาดุสิตนิมมานารดีหรือปรารถนาจะเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆหรือปรารถนาแม้กระทั่งดักขันปรินิพานความปรารถนาของผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจากขปัญญาก็สําเร็จได้เพราะท่านบอกว่าท่านเป็นคนไม่ให้คนยากไร้นะนะหลังจากนั้นท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าประกาศตนแสดงตนถึงความเป็นอุบาสกซึ่งจริงๆท่านเห็นอริยสัจก็เข้าถึงโลกุตระสารณคม ตอนหลังท่านก็ไปประกาศโลกิย า, าระณะข่มาท่านนั้นขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจนตลอดชีวิตเนี่ยนะก็ไม่ใช่ชีวิตเดียวพระปุถุชนทั้งหลายโดยทั่วทั่วไปผู้ที่ยังไม่แทงตลอดอริยมรรคนับถือพระพุทธศาสนาไม่แน่อาจจะแค่ปีนี้ปีเดียวหรือไม่กี่ปีปลายๆก็เลิกนับถือก็มีบางคนนับถือแค่ชาตินี้ชาติเดียว ชาติหน้าไปเกิดในตระกูลอื่นรัฐที่อื่นก็เลยเลิกนับถือพุทธศาสนาไปก็มีเพรา ะ, ะนั้นถ้าไปเกิดในภพต่อๆไปซึ่งไม่มีพระพุทธศาสนาคนเหล่านี้ก็เลิกนับถือพระพุทธศาสนาในบ้านปลายต่อไปก็มีไม่เหมือนพระอริยส า, าวกท่านจะมีจิตโอนไปหาพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจะไม่หันหน้าไปหาศาสนาอื่นอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะรู้จักว่าพระพุทธเจ้า ข้ามได้เองแล้วก็ยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ข้ามได้ระดับหนึ่งแล้วข้ามจากไหนพระโสดาบันข้ามจากอะไรข้ามจากอบายข้ามจากภพที่แปดข้ามจากสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีและพระตะปรามมาสข้ามจากความทุศีนนะท่านเหล่านั้นท่านข้ามได้ขนาดนี้แล้วนะแคกว่านี้ยโตแปลว่าแน่นอน เพราะยังลงสู่สัมมัตตนิยามคืออริยมรรคประกอบไปได้วยองค์แปดโพธิปรายโนตรัสรู้นี่ยัสรู้ในเบื้องหน้าเพราะอย่างไรผู้ที่เป็นพระโสดาบันใจก็โอนไปหาความเป็นพระสกท า, าคามีพระเจ้าพิมพ์ิสารหลังจากเป็นพระโสดาบันก็หวังไว้ในใจว่าจักเป็นพระสกท า, าคามีจักเป็นพระสกทาคามีเพราะใจนี่โอนไปหาความเป็น พระอริยเจ้าเสมอถ้าถ้าเป็นพระสกท า, าคามีใจก็โอนไปนหาความเป็นพระอนาคามีท่านเหล่านี้จึงเรียกว่าโพธิปลายโนปาน ล, ลายนะแปลว่าไหลไปบ่าไปโพธิก็คือความตรัสรู้ตรัสรู้คุณธรรมระดับสูงคุณธรรมระดับสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคนั้นจึงผู้ที่ข้ามออกจากวัฏฏุก์วันนี้การเรียนตติสสามพิทาทั้งหลายก็บุญกุศลที่เราเรียนนี้ก็จงโพธิปายโนใช่ไหม จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ทำเป็นที่พ้นทุกโดยโดยทั่วๆกันเจพนพรในนโมทนากันด้วยนะจ๊ะ